เวลานา น, านถึงสี่สปีหลังพุทธปรินิพานที่พระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐจาริษูคมนิคมชนบทและราชธานีต่างๆเกือบทั่วชมพูทวีปเพื่อปรดเวนยนิกรชนแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ประทีบดวงใหญ่แห่งชมพูทวีปจะดับไปแล้วแต่ประทีบดวงน้อยคือพระพุทธอนุชายังมีอยู่ และส่งแสงเรืองรองเพื่อพารตะวัตต่อไปบัดนี้ภารกิจอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระาศาสดาและหน้าที่ในการทำลายกิเลสของท่านได้เสร็จสิ้นลงแล้วเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวคือการอบรมสั่งสอนมหาชนให้ลีกจากทุจริตเดินเข้าสู่คลองแห่งสุจริตธรรมการปรากฏกายแห่งพระอนุนตร ไม่ว่าในที่ใดในสมาคมใดประดุจการปรากฏขึ้นแห่งดวงจันทร์ในปุรณะมีดิถีนำความชื่นบานเ อ, อิบอาบซาบซ่านและสดใสมาสู่จิตใจของประชาชนในที่นั้นและสมาคมนั้น เมื่อมหาสันนิบาตในการสังขยาเสร็จสิ้นลงแล้วพระพุทธอนุชาได้ละทิ้งเบญจกีรีนครไว้เบื้องหลังมุ่งสู่นครโกสัมพีเพื่อลงพรหมทันแก่พระชนะพระหัวดือ้อซึ่งพระาศาสดารับสั่งไว้เมื่อจวนจะนิพพานพระอานนท์ได้ประกาศให้สงในโกสัมพีนครทราบว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระชนะต้องการจะทาอย่างไร จะพูดอย่างใดและประพฤติอย่างใดก็ให้ทำได้ตามอัธยาศัยภิกษุสามเณรไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนพระฉันนะด้วยถ้อยคำใดๆเลยนี่เรียกว่าพรหมทันคือการลงโทษที่หนักที่สุดแบบพระอริยะท่านทั้งหลายพระอนุ์กล่าวในมหาสมาคมซึ่งมีภิกษุประชุมอยู่จำนวนพัน พระบรมศาสดาเคยตักเตือนพระชนะมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่าขอให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอย่าดื้อด้านและดืดดึงแต่พระชนะก็หาฟังไม่ยังคงประพฤติตนตามใจชอบอยู่อย่างเดิมเมื่อจวนจะปรินิพานสงเป็นห่วงเรื่องพระชนะจึงมีพุทธบัญชากับข้าพเจ้าไว้ว่าให้ลงโทษแก่พระชนะโดยวิธีพรหมทัน์ ท่านทั้งหลายการลงโทษแบบนี้เป็นวิธีสุดท้ายที่พระอริยเจ้าจะพึงกระทำประดุษในสารถีผู้ฝึกมา้าจำใจต้องฆ่าม้าของตนที่เหลือฝึกเพื่อไม่ให้สืบพืชพันธุ์ไม่ดีต่อไป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 นายเกสิทูลถามพระองค์จะทรงกระทําประการใดธรรมาสุดไม่ได้เราก็ฆ่าเหมือนกันพระาศาสดาทรงตอบก็พระองค์ไม่ทรงทําปานาติบาไมิใช่หรือเหตุไหนจึงตรัสว่าทรงฆ่าดูก่อนเกสิการฆ่าของเราเป็นการฆ่าแบบอริยะประหาร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 ก็หาเข้าใจถึงสิ่งที่นายต้องการให้ทําไหมต่อเมื่อถูกแทงจนจดกระดูกจึงรู้สึกและเข้าใจในสิ่งที่นายต้องการให้ทําฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือเห็นญาติพี่น้องเจ็บและตายก็ไม่เกิดสังเวชสลดจิตต่อเมื่อตอนเองเจ็บและเจ็บเจียนตายใกล้ต่อมรณะสมัย จึงรู้สึกสังเวชสลดจิตแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรุคุณธรรมเบื้องสูงแลแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายมาซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติสีประการ ควรเป็นมา้าทรงของพระราชาสีประการนั้นคือมีความซื่อตรงมีเชาดีมีความอดทนและมีลักษณะสงบเรียบร้อยภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสี่ประการก็เหมือนกันคือมีความซื่อตรงไม่หลอกลวงไม่คดในข้ององในกระดูกมีเชาดีในการรู้อริยสัจ มีความอดทนอย่างยิ่งและมีการสำรวมตนสงบสงเงียมเรียบร้อยไม่ประพฤตตนเอะอะโวยวายเยี่ยงนักเลงสุราบานก็สมควรเป็นทักขิเนยบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของโลกภิกษุทั้งหลายเราเคยกล่าไวไว้มิใช่หรือว่าถ้าจะดูความเป็นบ้านในหมู่สงก็จงดูตรงที่เธอร้องรำทำเพลง ถ้าจะดูความเป็นเด็กในหมู่สงฆ์ก็จงดูตรงที่เธอยิงฟันหัวเราะในลักษณะปล่อยตนเหมือนเด็กชาวบ้านดูก่อนท่านทัน้งหลายพระอนนุ์กล่าวต่อไปพระพุทธองค์เคยตรัสกับข้าพเจ้าไว้ว่าอ น, นุ์เราจะไม่ทากับพวกเธออย่างทะนุถนอมอย่างที่ช่างหม้อทากับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอ น, นุ์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 พระพเจ้าจึงขอประกาศลงพรหมทันแก่พระช น, นะเพื่อเธอจะได้สํานึกตนและปฏิบัติตนในทางที่ชอบต่อไปพระอานนุ์กล่าวจบสงทั้งสิ้นเงียบเป็นการยอมรับประกาศนั้นด้วยอาการดุษเนีพระช น, นะได้ทราบว่าบัดนี้สงได้ประกาศลงพรหมทันแก่ตนแล้วเกิดสังเวช ส, สลดจิตกลับประพฤติตนดีมีสัมมาคารวะ และเชื่อฟังพระเถระทั้งหลายในไม่ช้าก็สำเร็จพระอระหัตผล จากโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสักพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐได้เดินทางเลียบลำน้ำยมุนาขึ้นไปตอนบนสู่แคว้นกุรุซึ่งมีนครอินทปัตเป็นเมืองหลวงและจาะริกไปในแคว้นต่างๆอีกหลายแควน้นจนกระทั่งวนกลับมาสู่ลุ่มแม่น้ำคงคาวนเวียนอยู่ณนะลุ่มแม่น้ำคงคาตอนบน แ่งแคว้นปัญจาระซึ่งมีนครหัสตินนาปุระหรือหัสดินบุรีเป็นราชธานีอันว่าแคว้นปัญจาระนี้มีแคว้นโกสลอยู่ทางทิศตะวันออกมีแคว้นกุรุอยู่ทางทิศตะวันตกมีหิ ม, มาลัยบรรพดอยู่ทางทิศเหนือและแม่น้ำคงคาอยู่ทางทิศใต้เป็นแคว้นที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากหลาย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 ให้พระแม่คงคาเป็นผู้กำ ร, รมชีวิตของตนทั้งด้านชำระมลทินภายในและด้านเกษตรกรรมณนะริมฝั่งแม่น้ำคงคาตอนเหนือมีชงโคขึ้นระดะับแม้ไม่สู้จะเป็นระเบียบนักแต่ดอกอัญม็นตาของมันก่อให้เกิดความเย็นใจเมื่อได้เห็นเป็นสถานที่ร่มรื่นสงบมิใช่ทางสัญจร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 เมื่อผ่านมาเห็นชงโคมีดอกงามบานสะพรั่งและดูบริเวณเป็นที่รื่นรมจึงแวะเข้าพักผ่อนใต้ต้นชงโคซึ่งมีใบหนาเงาคล้มต้นหนึ่งตรงเบื้องหน้าของท่านมีสระซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติมีปรทุมชูดอกสลอนน้ำใสยเย็นและจือสนิทดีท่านได้ดื่มและล้างหน้าเพื่อระงับความกระหาย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 เราจะมีความสุขสบายขึ้นอีกมากโลกนี้มีคนร้ายและเรื่องร้ายมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและในฐานะใดย่อมจะต้องพบคนร้ายและเรื่องร้ายทุกผนทุกแห่งถ้าสามารถกลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้นั้นเป็นเรื่องประเสริฐแต่ถ้าไม่สามารถกลับเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีได้ในทันที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 ที่สลับซับซ้อนสุดที่จะแยกแยะให้ถีทวนด้วยปัญญาสามัญบัดนี้พระอาทิตย์รับขอฟ้าไปแล้วทิ้งไว้แต่ร่องรอยแห่งแสงสว่างเพียงรางสเสมือนดรุณีไว้คำดัดยิ้มด้วยความเบิกบานใจเมื่อหยุดยิ้มแล้ว รอยแห่งความร่าเริงก็ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยฉะนั้นพระพุทธอนุชาตั้งใจจะถือเอาโคนชงโคเป็นที่พักกายในราตรีนั้นแต่พอท่านเองกายลงพิงโคนชงโคนั่นเองได้เหลือบเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเดินมาถือหม้อมาคนละใบมุ่งตรงมาสู่ศักซึ่งได้มองเห็นสมณะนั่งพิงโคนชงโคอยู่ เขาจึงเดินอ้อมสะมาพอเห็นชัดว่าเป็นสมณะสักยบุตรเขาจึงนั่งลงไหว้แล้วชายผู้นั้นก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่สมณะข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานไม่เคยได้พบได้เห็นสมณะผู้ใดมาเยือนสถานที่นี้เลยข้าพเจ้าทั้งสองแม้จะไม่ใช่เจ้าของถิ่นโดยแท้จริงก็เหมือนเป็นเจ้าของถินข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านสมณะ ผู้เป็นอคันตุกะด้วยความรู้สึกเป็นมิตรและถือเป็นโชคดีที่ได้พบท่านดูก่อนผู้มีใจอารีพระพุทธอนุชากล่าวตอบ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 นักกระท่อมของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีกระท่อมอยู่สองหลังหลังหนึ่งเพื่อข้าพเจ้าและปัญญาอยู่อาศัยอีกหลังหนึ่งเพื่อเก็บของเล็กๆน้อยๆถ้าท่านไม่รังเกียจและยินดีรับคำเชื้อเชิญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเก็บของเล็กๆน้อยๆไว้อีกมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งพอเป็นที่พักของท่านได้อย่างสบายมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้สะดวก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 หันมามองดูพัญญาเหมือนเป็นเชิงศึกษาสตรีผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่สมณนะถ้าท่านยังไม่มีกิจของบนเรื่องอื่นหรือไม่เป็นการรบกวนความวิเวกสงัดของท่านก็โปรดรับคำอาราธนาของข้าพเจ้าทั้งสองด้วยเถิด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 หรือท่านมีอัธยาศัยน้อมไปในวิเวกตั้งแต่ยังเยาว์ข้าแต่อาคันตุกะชายหนุ่มกล่าวข้าพเจ้าเข้าใจว่าทุกคนน่าจะมีหัวเลี้ยวแห่งชีวิตที่สำคัญที่สุดสักครั้งหนึ่งในชีวิตของแต่ละคน และหัวเลี้ยวนั่นเองจะเป็นสาเหตุที่เขาดำเนินชีวิตที่ยืดยาวไปจนกว่าชีวิตจะจบลงขพเจ้ามีหัวเลี้ยวชีวิตอยู่ตอนหนึ่งซึ่งทาให้ขพเจ้าเลี้ยวมาทางนี้และเข้าใจว่าขพเจ้าจะดาเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปจนสิ้นลมปรานดูก่อนผู้พอใจในวิเวกพระอนุนกล่าว ถ้าไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านข้าพเจ้าปรารถนาจะรับฟังความเป็นมาแห่งท่านพอเป็นเครื่องประดับความรู้เวลานี้ปฐมยามแห่งราตรีก็ยังไม่สิ้นถ้าท่านไม่ขัดข้องหรือไม่ถือเป็นความลับก็ขอได้โปรดเล่าเถิดลมปลายปฐมยามพัดแผ่วเข้ามาทางหน้าต่างรำเพยเอากลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดติดมาด้วยหอมเย็นระรื่น ความอบเป้าของอากาศเมื่อท่วาการได้ปราศนาการไปแล้วบรรยากาศในยามนี้เย็นสบายแสงโสมซาซองเข้ามาทางหน้าต่างต้องผิวหน้าของชายหนุ่มดูสดใสแต่แฝงไว้ซึ่งแววเศร้าอย่างลึกซึ้งเขาขยับกายเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพระท่านท่านยินดีรับฟังเรื่องราวความเป็นมาแห่งข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ยินดีเล่าสู่ท่านฟังเรื่องของข้าพเจ้ามีทั้งความสุขและความเศรา้ามีทั้งความหวานชื่นและขืนขมมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเมื่อพระอนุลแสดงอาการว่าพร้อมแล้วชายหนุ่มจึงเริ่มเล่าดังนี้